ตอนที่สิปเสียงกำปนาทแรกจักรพัฒด์ผู้สื่อราชสันติวงศ์เสียงที่เย็นชาดังขึ้นพายในตําหนักโซ่ของชูหลิงดึงสติกลับมาพรางหันไปเงยหน้าขึ้นมองเงาร่างสามสายปรากฏแกสายตาความรู้สึกที่ต้องเงยหน้ามองผู้อื่นเช่นนี้เป็นสิ่งที่ชูหลิงไม่ชอบเอาเสียเลยดวงตะวันแขวนเด่นกลางเวหาลมหนาวพัดกันโชกหิมะยังคงโปรยปลายสุลีประทับยืนอยู่อย่างเย็นชาสายลมที่พัดผ่านทําให้ชายฉลองพระองค์ไหวเอ็น เดิมทีนางควรจะได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบสุขภายในวังอวี๋ไม่ต้องรับรู้เรื่องราววุ่นวายบนโลกใบ น, นี้ทว่าพระราชนต์ ด, ดาวองโตของนางปรับสเสด็จสวรรคตอย่างกระทำหันสถานการณ์ในราชสำนักเปลี่ยนไปกระแสนอำนาจเปลี่ยนไปจิตใจคนก็เปลี่ยนไปนางผู้ซึ่งไม่เคยแทรกแซงการเมืองเลยทั้งในราชสมัยของเทจูและเทจงบัตดนี้กลับต้องผเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนป้าอาวี๋จะเสื่อมถอยลงเช่นนี้ไม่ได้เขามีคุณสมบัติพอหรือไม่ ดวงตาหงที่เย็นชาของสุนหลีจ้องมองลงไปยังชูหลิงที่ยืนอยู่บนขั้นบันไดหินร่างกายนั้นช่างผอมแห้งแรงน้อยอายุเพียง8ชั้นสาภารหนักอึ้งพันช่งของตาอาวิน๋นี้เขาจะแบกรับไหวจริงๆหรือสุนลีไม่เชื่อมั่นเลยแม้แต่น้อยเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในคืนนั้นสุนลีก็สะกดกลั้นความโกรธเอาไว้ส่งผลให้กลิ่นอายรอบกายของนางเปลี่ยนไปแม้แต่สวีเจินและหวังซิ่วที่อยู่ข้างกายต่างก็สัมผัสได้ทว่าในยามนี้ทั้งสองกลับแสดงท่าทีที่สงบนิ่งอย่างยิ่ง ประจกเหมาะกับยามนั้นที่มีเมฆหมอกลอยมาบดบังดวงตะวันที่ทอแสงแรงกล้าทว่ากลับมีแสงสีทองรำไรลอดผ่านชั้นเมฆลงมาตกกระทบลงบนร่างของสตรีทั้งสามเมื่อชูหลิงเห็นภาพนี้บอกตามตรงว่าเขาขัดเคืองใจยิ่งนักความสง่า ง, งามและความศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะเป็นของอำนาจจักรพรรดิกลับถูกภู้เขาใหญ่สามลูกตรงหน้าแบ่งแยกออกไปไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนี่คือความเป็นจริงของต้าอวีในยามนี้ ชูหลิงในวัยเยาว์ถูกเลือกให้เป็นจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์แห่งต้าอวีสิงที่เป็นของเขานอกจากฐานะอันสูงส่งเพียงเปลือกนอกแล้วสิ่งอื่นใดล้วนไม่ใช่ของเขาเลยจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ท่านต้องทำตัวเป็นแบบอย่างแก่ใต้ล่าหลี่จงก้มหน้าเดินเข้ามาหาพลางประสานมือกล่าวกับชูหลิงด้วยเสียงเบาสิ่งที่ควรจะมาในที่สุดก็ต้องมาสิ่งที่ควรจะไปในที่สุดก็ต้องไป ชูหลิงเกิดความรู้สึกทอดถอนใจเขาสัมผัสได้ถึงความเคลื่อนไหวของฝูงชนเบื้องหลังบรรยากาศที่เคยสับสนวุ่นวายกลับคืนสู่ความสงบในพริบตาเมื่อซานโฮปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันกลิ่นอายอันทรงพลังเช่นนี้ไม่มีใครในต้าอาวีจะเรียนแบบได้แม้แต่ตัวเขาก็ตามต้าอาวีในยามนี้จำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนเช่นนี้ในการรักษาสมดุล หลานชายแห่งจักรพรรดิไทจูเ ก, กาโอรสแห่งจักรพรรดิไทจงเหมือนพระอนุชาแห่งต้าสิงห้องตี้จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์สกุลชูแห่งตาอาวีขอกราบทูลพระอยัยกากราบทูลพระราชมารดาและกราบทูลที่สพ้ยหลวง ท่ามกลางสายตาของฝูงชนเสียงของชูหลิงดังขึ้นแม้จะไม่กึกกล้องนักแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้คนบางกลุ่มได้ยินท่ามกลางสายตาที่ประหลาดใจาหลายคู่ชูหลิงเลิกชายชุดยาวขึ้นแล้วคุกเข่าลงบนบันไดหินหันหน้าไปทางสุลีสวีเจินและหวังซิ่วตามธรรมเนียมของราชวงศ์อวี๋เขาได้ทำพิธีกราบไหว้ครั้งใหญ่ในนามของความกตัญญูทว่าการคุกเข่าครั้งนี้กลับทำให้หลายคนสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย ชูหลิงรู้ดีกว่าใครว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไรานามคือจั ก, กรพัทผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ทว่าความจริงคือหุ่นเชิดหากต้องการทำลายสถานการณ์นี้เขาต้องมีความอดทนและจิตใจที่แน่วแน่เพียงพอแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชูหลิงจะไม่ลงมือทําอะไรเลยชูหลิงต้องการให้ภูเขาใหญ่ทั้งสามลูกปรงหน้าให้ครัวอานาจของพวกนางให้เหล่าเชื้อพระวงศ์และคุนนางทั้งบุญและบูแห่งต้าวิได้รับรู้ถึงตัวตนของเขาในฐานะจั ก, กรพัทผู้สือ่อรราชสันติวงศ์ และการแสดงออกนี้จะรอให้ถึงพิธีราชาพิเศษเพื่อให้ทุกคนยอมรับไม่ได้เขาต้องทําให้ทุกคนยอมรับตั้งแต่ยามที่ยังเป็นเพียงจักรพรรดิผู้สื่บราชสันติวงศ์เขาอาจจะยังเยาว์เขาอาจจะเป็นเพียงโอรสสายรองทว่าในเมื่อเลือกเขาเป็นจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์แล้วเมื่อพิธีราชาพิเศษมาถึงและมีการประกาศสราชาองค์การครองราชไปทั่วใต้ล่าเขาก็จะกลายเป็นจักรพรรดิแห่งต้าอวี๋อย่างเป็นทางการไม่ว่าสถานการณ์ในราชสํานักจะเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคตทุกคนต้องเข้าใจความจริงข้อหนึ่ง สถานการณ์ที่ผันผวนทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเพราะเขากลายเป็นจั ก, กรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์และกำลังจะกลายเป็นจั ก, กรพรรดิองค์ที่สแห่งต้าอาวีนี่คือแกนกลางของทุกสิ่งชูหลิงรู้ว่าการคุกเข่าครั้งนี้จะทำให้บางคนเริ่มระแวดระวังหรือแม้กระทั่งหวาดเกรงในตัวเขาแต่เขาไม่เสียใจที่ทำเช่นนี้เพราะมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นชูหลิงจึงจะมั่นใจในความปลอดภัยของตนเองได้เพื่อให้การใช้ชีวิตในวังอวตีต่อจากนี้ไม่ต้องเผชิญกับการคุกคามบ่อยครั้งจนเกินไป การมีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยคือหลักฐานของแผนการทั้งปวงหากไร้ซึ่งหลักฐานนี้ทุกอย่างก็ไม่อาจเป็นจริงได้เช่นเดียวกันการคุกเข่าครั้งนี้ชูหลิงต้องการให้บางคนได้รับรู้ว่าฟ้าของต้าอวียังไม่ได้เปลี่ยนไปเพียงแต่ผู้ที่ประทับบนบัลลังก์ของต้าอวีได้เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ต้าสิงห้องตี้ชูฉีอีกต่อไปแต่เป็นจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ ชูหลิงคุกเข่าอยู่บนพื้นเขาไม่รู้เลยว่าในขณะนี้สายตาของหลายคนที่มองมายังเขานั้นเปลี่ยนไปเพียงใดแต่เขารู้สิ่งหนึ่งว่าการคุกเข่าครั้งนี้จะทําให้วังอวี๋เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเพียงแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นจะดีหรือร้ายก็ต้องรอให้มันปรากฏออกมาเสียก่อนไทจูไทจงและในขณะนี้ชูหลิงยิ่งไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าท่ามกลางฝูงชนที่หน้าตำหนักโซ่หงสายตาของบางคนเปลี่ยนไปแม้แต่ภายในใจก็ไม่อาจสงบลงได้เป็นเวลานา น, าน ในสายตาของคนเหล่านี้พวกเขาคล้ายกับได้เห็นเงาร่างที่คุ้นเคยเพียงแต่สิ่งที่แต่ละคนคิดนั้นแตกต่างกันออกไปจุดประสงค์ของชูหลิงบรรลุผลแล้วฟันเฟืองแห่งโชชตาเริ่มเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบลุกขึ้นเถิดชูหลิงที่คุกเข่าอยู่บนบันไดหินได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นก่อนที่เขาจะทันได้ตอบสนองหลี่จงก็เดินก้มหน้าเข้ามาพลางยื่นมือมาประคองชูหลิงให้ลุกขึ้นที่ทีเส้นไหวจุดโกลมของต้าสิงห้องตีได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อชูหลิงเงยหน้าขึ้นมองอีกครั้งเงาร่างทั้งสามนั้ น, น, นก็ค่อยๆเดินไกลออกไปภายใต้การประคองของหลี่จงเขาเหยียบย่างขึ้นไปตามบันไดหินมุ่งหน้าสู่ตําหนักโซ่ห่วงที่อยู่ตรงหน้าเสียงดนตรีอะไรดังขึ้นอีกครั้งบรรยากาศเปลี่ยนไปฝูงชนที่หลังหลายเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้าๆทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนไปและทุกอย่างก็ดูเหมือนจะยังคงเดิมชูหลิงเดินไปเช่นนั้นเดินเข้าไปภายในตําหนักโซ่ห่วงบรรยากาศอันเคร่งขรึมกดทับลงมา เมื่อชูหลิงเห็นจึดกงหลังนั้นความรู้สึกของเขาก็ซับซ้อนยิ่งนักมีความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายทว่าในยามนี้ชูหลิงไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปเขาต้องดำเนินตามขั้นตอนของพิธีกรรมทั้งหมดภายใต้การประคองของหลี่จงชูหลิงไปยังสถานที่แห่งแล้วแห่งเล่าทําท่าทางมากมายสำหรับพิธีการของราชวงศ์อวีแล้วชูหลิงยังคงรู้สึกแปลกหน้า พระก่อนที่จะได้เป็นจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ไม่ว่าจะในวังอวี๋หรือในจวนสิบ อ, องชูหลิงก็เป็นเพียงตัวตนที่ดูเหมือนจะสูงส่งแต่ความจริงกลับจืดจางไร้ตัวตนการไม่ได้รับความสําคัญคือสถานะปกติของชูหลิงในอดีตปีนี้ชูหลิงอายุ8ชั้นสาแล้วแต่พระในช่วงไม่กี่ปีมานี้ต้าอาวี๋ต้องเผชิญกับเหตุการณ์มากมายเกินไปจนถึงตอนนี้แม้ชูหลิงจะได้รับการศึกษาขั้นต้นมาบ้างแต่บรรดาอาจารย์ที่มาสอนกลับถูกเปลี่ยนตัวทุกๆไม่กี่เดือนใช่แล้ว ชูหลิงไม่มีอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชายอย่างเป็นทางการคำว่าอาจารย์ในราชวงศ์อวีมีฐานะที่พิเศษยิ่งเป็นรองเพียงผู้ให้กำเนิดเท่านั้นบรรดาพี่น้องของชูหลิงต่างก็มีอาจารย์กันหมดแม้แต่ชูเมาพระอนุชาที่ยังพูดไม่ชัดก็ยังมีอาจารย์มีเพียงชูหลิงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มี เมื่อเดินมาถึงหน้าจื่อกงมองดูข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่วางเรียงรายอยู่ชูหลิงก็หยุดฝีเท้าลงภายในใจพลันปรากฏภาพเงาร่างที่เคยเห็นจากระยะไกลรวมถึงใบหน้านั้นทว่าภายในใจของชูหลิงกลับไร้ายซึ่งความหม่นไห้ผู้ที่นอนอยู่ข้างในนั้นคือพี่ชายของเขาไม่ผิดแน่เป็นโอรสสายตรงเพียงคนเดียวของเสด็จพ่อทว่าสำหรับชูหลิงแล้วนี้ก็เป็นเพียงคนแปลกหน้าคนหนึ่งเท่านั้นรวมถึงเทจู่และเทจงที่ล่วงลับไปแล้วต่างก็เป็นเพียงคนแปลกหน้าเช่นกันความจริงและความตายก็ถือเป็นการหลุดพ้นอย่างหนึ่ง ต่อหน้าผู้คนแม้จะเป็นจักรพรรดิที่อยู่เหนือผู้ใดก็ยังมีช่วงเวลาที่อ้างว้างความรู้สึกที่ยิ่งสูงยิ่งหนาวเหน็บนั้นกำหนดให้จักรพรรดิต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวชูหลิงรู้ดีว่าเขาต้องเผชิญกับสิ่งใดต่อไปแต่เขาต้องการสัม ผ, สมผัสมันด้วยตนเองแทนที่จะฟังจากคําบอกเล่าของผู้อื่นเช่นนี้ต่อให้ต้องพ่ายแพ้อย่างน้อยชูหลิงก็จะไม่เสียใจเพราะอย่างน้อยเขาก็เคยได้สัมผัส ม, สมันมาแล้ว